วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือคำถามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคอยถามกันอยู่เรื่อยๆเพราะวันเวลาเป็นเหมือนงูใหญ่ที่จะกลืนสัปปรเพสิ่งสัปปรพสัต ท, ทั้งหลาย ไปให้หมดงูที่เขมือบเบือมันจะเมือบทละนิดทีละน้อยแต่ไม่นานเยือก็จะถูกเขมือเข้าไปในท้องหูสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และสัตว์และบุคคลต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็กำลังถูกเวลากลื่นกินอยู่เวลาจะกลืนกินชีวิตของพวกเราไปวันละเล็กวันละน้อยอแล้วเดี๋ยววันสิ้นสุดของชีวิตของพวกเราก็จะเกิดขึ้นมาพอถึงวันนั้นแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่ชีวิตของพวกเราได้เลยเราจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเราได้ก็ช่วงในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถทาอะไรต่างๆได้แต่การจะทำอะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าทำอะไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำอะไรมันเป็นโทษ เป็นทุกข์กับจิตใจของพวกเราเราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราถึงจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรกันที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา ถ้าเราไม่ได้เรียนจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจะไปทำในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราต่อชีวิตจิตใจของพวกเราโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเรากำลังทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเรา เพราะคุณประโยชน์ที่เราได้รับนั้นเป็นคุณประโยชน์ที่อัมพรางไปด้วยโทษที่ปิดบังโทษปิดบังพิษภัยที่จะมาทำร้ายจิตใจของพวกเรากันเราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้น เราถึงจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนให้พวกเรามาทำลายเมนกันมาทำลายป่าช้ากันอย่ามาสร้างเมนสร้างป่าช้ากันเพราะไม่มีใครอยากจะไปเมนไม่มีใครอยากจะไปป่าช้ากันแล้วไปสร้างมันทำไมแต่ที่ต้องสร้างก็เพราะว่า ไม่รู้ว่าจะเอาร่างกายที่ตายไปแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นเองก็เลยต้องสร้างเมนสร้างป่าช้าเพื่อจะได้เป็นที่เก็บซากศพต่างๆที่ตายไปแล้วแต่ทางศาสนานี้ท่านสอนว่าเราอย่ามาสร้างเมนสร้างป่าช้ากันเลย และวิธีที่จะทำให้เราไม่มาสร้างเมนสร้างปาช้ากันวิธีที่จะทำให้เราทําลายเมนทําลายป่าช้าให้มันหมดไปก็คือการอยากกลับมาเกิดใหม่นั่นเองพอเมื่อเราไม่กลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องเราก็จะไม่ต้องตายกันนั่นเอง เมื่อไม่ตายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีป่าชาไว้ไปเป็นที่ฝังศพหรือมีเมนไว้เป็นที่เผาศพอีกต่อไปนี่แหละคืองานที่พวกเราควรจะทำกันคืองานล้างป่าชา้างานกำจัดทําลายเมนต่างๆให้มันหมดไปจากโลกนี้มันจะหมดได้ ก็เราต้องไม่กลับมาเกิดกันพราถ้าเรากลับมาเกิดแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็ต้องไปเมนกัน mm hmm. เขาจึงต้องสร้างเมนกันอยู่เรื่อยๆต้องหาปะต้องสร้างป่าช้ากันอยู่เรื่อยๆเพราะปริมาณของสร้างศพนี้มันมีเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นเองปีปีหน่งนี้เกิดกันกี่แสนกี่ล้านคน ทุกชีวิตที่เกิดมามันจะต้องสิ้นสุดลงที่ความตายด้วยกันทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันตายก็ต้องไปเมนไปปชาช้ากันจึงต้องมีการสร้างเมนสร้างปชาช้ากันอยู่เรื่อยๆละเหตุอะไรที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันก็คือ การหาความสุขจากลาบยศสันะเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้นั่นเองมีใครปฏิเสธไหมว่าไม่ได้มาหาลาบยศสัระเสริญไม่ได้มาหารูปเสียงกลิ่นรสกันทุกคนนี้หาเงินหาทองกันทุกคนหายศหาตำแหน่งหาความสรรละเสริญเยินยอ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัต่างๆเช่นดูภาพประยนต์ฟังเพลงไปกินไปดื่มอาหารขนมนมในยเครื่องดื่มต่างๆที่ชอบใจพอได้ดื่มได้กินแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดแล้วก็เกิดความผูกพัน เกิดติดขึ้นมานั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีมันไม่ให้ความอิ่มความพอมันเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเสพแล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆเรยพราะมันติดเวลาไม่ได้เสพมันจะงดเหงื่อมันจะไม่มีความสุขมันก็จะต้องคอยหาลาบยศสนเสริญ หาลูกเสียงกิ่นรถมาเสพกันอยู่เรื่อยๆเอีกสองวันก็หวยออกอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตั้งไปหาเลขหาเบอร์กันนะเพื่อที่จะได้ลาบนะพวกที่กำลังรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็วิ่งเต้นกันเตรียมลิ้นให้มันยาวๆไว้เรียมัน เดี๋ยวก็จะได้ตำแหน่งอะไรต่างๆกันพวกอยากจะได้รางวัลก็ฝึกซ้อมนักกีฬาก็ฝึกซ้อมกีฬานักสแสดงก็ฝึกซ้อมการสแสดงแล้วเดี๋ยวก็ไปแข่งขันไปชิงรางวัลกันได้รับรางวัลเกียรติยศได้รับการยกย่องสรรเสริญกันแล้วก็เกิดความสุขกันพวกที่ชอบเที่ยวก็ ก็หาสถานที่ท่องเที่ยวไปอยู่เรื่อยๆหาที่เที่ยวแปลกๆใหม่ๆเออที่ไม่เคยไปเพราะเวลาได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าชีวิตมีชีวิตชีวาเอมีรสมีชาติขึ้นมาถ้าต้องอยู่กับที่จําเจแล้วรู้สึกมันจืดชืดเบื่อหน่ายซ้ำซาก จึงต้องคอยเปลี่ยนที่ท่องเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆ เ, เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้เงินมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ยศสูงขนาดไหนก็ไม่อิ่มไม่พอได้รับรางวาัลกี่รางวาัลก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถที่จะหาได้ คือเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาจะตายเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่มีกําลังวังชาที่จะทําที่จะหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับตนได้ตอนนั้นก็อาจจะเจอโลกซึมเศร้ากันเจอโลกของความคิดค่าตัวตายกันพออยู่ไปก็ไม่มีความสุข ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกันอ่นนี่คือผลที่เกิดจากการที่เรามาหาลาบยศสารเสรินมาหารูปเสียงเกิดรดกันมันจะให้ความทุกข์เราในบ้านปลายของชีวิตหรือบางคนก็อาจจะไม่ถึงบ้านปลายเพราะลาบยศสารเสริญสุขที่หามาได้ มันก็อาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้วันดีคืนดีก็อาจจะล้มละลายขึ้นมาก็ได้วันดีคืนดีก็อาจจะถูกปลดยศปลดตำแหน่งฮะหมู น, นี้มีเรื่องปลดยศปลดตำแหน่งบ่อยได้ยินข่าวกันอยู่เรื่อยนี่พอถูกปลดเสียยศเสียตำแหน่งแล้วความเศร้าโศกเสียใจ ก็ตามมาไม่ว่าจะหาอะไรมาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะต้องทำให้เราต้องสูญเสียไปวันใดวันหนึ่งจะต้องมีการพัดพรากจากกันเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าเป็นริปเสียงกล็ดนสดต่างๆมันเป็นของชั่วคราว ร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสารเสริญสุขมันก็เป็นของชั่วข่าวมันจะเจ็บป่าไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันจะพิกลพิการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้มันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน แล้วนอกจากนั้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็เพียงแยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็ไปเมนไปไปสุสานไปป่าชา้า ใจก็ถูกกระแสของความอยากและกระแสของบุญและบาปดึงไปต่อถ้าบุญมากกว่าบาปกระแสบุญก็จะดึงให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเรียกว่าเทวดาเรียกว่าอยู่บนสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในอบาย ให้มีความทุกข์จากการเป็นสัตว์เดรัจฉานจากการเป็นเปรตเป็นนสลรกายจากการไปตกนรกแล้วหลังจากที่บุญหรือบาปที่ดึงใจดึงดวงวิญญาณให้ไปรับผลของบุญหรือบาปหมดแล้วหมดกำลังแล้วความอยากที่ยังมีอยู่ในใจความอยากที่จะหาลาภยศสรรเสริญสุข ก็จะหนึ่งดวงวิญญาณให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องเข้ากระบวนการของความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็ต้องไปอยู่ที่ป่าช้าใหม่ไปอยู่ที่เมรุใหม่ถ้าเราต้องการจะทาลายเมรุทาลายป่าชา้าเราต้องมาหยุดอความอยากนี่ ความอยากได้ลาบยศสารเสริญความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถพระชนิดต่างๆเป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้ได้อะไรมากน้อยเพียงไรก็ตามความอิ่มความพอมันจะไม่เกิดความอยากได้มันจะไม่หมด มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆพอกลับมาเกิดก็ต้องมาตายกันอยู่เรื่อยๆต้องมาสร้างป่าชาสร้างเมนกันอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องยุติการสร้างเมนสร้างป่าชาด้วยการยุติความอยาก แต่ความอยากนี้จะยุติได้ก็ต้องอาศัยการกระทำสามประการด้วยกันนะคือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนานี่เป็นเครื่องมือหรือเบรกที่จะหยุดความอยากที่คอยฉุดลากดวงวิญญาณให้มาเกิดมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ ถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนาได้ครบเต็มร้อยเความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะถูกทําลายไปหมดพอไม่มีความอยากหนึ่อยู่ในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาดวงมาดึงดวงวิญญาณให้กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปดวงวิญญาณก็จะอยู่ ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดการตายอีกต่อไปป่าชาก็ไม่ต้องมีการสร้างไม่ต้องมีการาผลิตขึ้นมาอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่มีร่างกายมาเกิดจะมีร่างกายตายได้อย่างไรจะมีสร้างศพได้อย่างไรเมื่อไม่มีสร้างศพจะมีป่าช้าไว้ทาไม จะมีเมนไว้ทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอีกต่อไปนี่แหละถึงพูดว่าเราต้องมาทำลายป่าช้าทำลายเมนกันด้วยการไม่กลับมาเกิดกันการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่จะหาลาบยศสารเสรินสุขกันนี่เองว่าการจะหยุด การหาราบยศสารเสริญสุขได้เราก็ต้องไปหาทานศีลภาวนาแทนแทนที่จะไปาหาราบยศสารเสริญสุขเราไปหาทานหาศีลหาภาวนาแทนเราต้องเปลี่ยนงานใหม่งานที่เราทำกันอยู่ขณะ น, นี้เป็นงานสร้างเมนสร้างป่าชากันสร้างความตายกัน เราต้องเปลี่ยนงานเป็นงานที่จะทำลายป่าชา้าทำลายเมนกันคืองานทำทานงานรักษาศีลงานภาวนานี่จะทำให้ความอยากที่จะกลับมาเกิดอีกนั้นหมดสิ้นไปความอยากที่จะกลับมาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะหายไปหมด เมื่อหายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้ความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีความอยากที่จะไปมีร่างกายมันก็จะไม่มีการเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการตายกต่อไปเช่นเดียวกันนี่แหละ คืองานที่พวกเราต้องทํากันถ้าเราอยากจะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ต่างๆที่เราต้องมาเจอเวลาที่เรามาเกิดกันเราต้องมาแก้ที่ความอยากนี้เองความอยากนี้ก็แบ่งเป็นสามชนิดด้วยกันอยากรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าอยากในกามความอยากในกาม ภาษาพระก็เรียกว่าตามตันหา mm. ความอยากมีอยากเป็น mm. อยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง mm. เป็นใหญ่เป็นโต mm. เป็นเศรษฐีเป็นอะไรนี่ในระดับยาก mm. ระดับละเอียดก็คือความอยากอยู่กับความสงบอยากได้ความสงบ mm. อยากได้รูปประชาญ mm. ส่วนความอยากอีกอย่างก็คือ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ทุกเนี่ยยากลำบากอันนี้เป็นความอยากอีกแบบหนึ่งความอยากกับในสิ่งที่ไม่ต้องการอยากได้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากของวิภาวะตัณหาแบบละเอียดก็คือความอยากได้อารูปฌาน ได้ความว่างเพราะความว่างมันไม่มีความทุกข์นะทุกข์มันจะมีก็ต่อเมื่อมีอะไรพอมีอะไรแล้วเดี๋ยวมันต้องเสื่อมมันต้องหมดนะพอมันเสื่อมมันหมดความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แต่ถ้าไม่มีอะไรไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากมีอะไรอยู่กับความว่างได้ อยู่กับความไม่มีได้จะจะไม่มีอะไรทำให้ทุกข์แต่ความว่างที่อยากได้นี้มันก็ยังเป็นความว่างไม่ถาวรเป็นอนิจจังมันก็จะต้องเบิดหมดไปแล้วต้องมีอะไรเข้ามาแทนที่พอมีอะไรเข้ามาแทนที่ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ต่อแ้นต้องหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ให้ได้หยุดความอยาก เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหยุดความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีอำนาจวาสนาอยากได้น่นอยากมีนี่อะไรแล้วแต่สุดแท้แต่ต้องตัดให้หมดอยากรูปประชานก็ต้องตัดมีภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ไม่ได้นู่นไม่ได้ไม่มีนั่นไม่มีนี่ เพราะมีแล้วมันทุกข์เน่จึงไม่อยากมีความแก่กันไม่อยากมีความเจ็บไม่มีความตายกันไม่อยากมีความทุกข์ยากลำบากกันไม่ไม่อยากมีอะไรเพราะไม่มีแล้วมันสบายเนี่นี่คือความอยากที่จะต้องกำจัดและสิ่งที่จะมากำจัดความอยากได้ก็คือการทำทาน การรักษาศีลการภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถามบ่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังหาลาบยศสารเสริญสุขหรือเรากำลังหาทานศีลภาวนากันถ้าเราหาทานศีลภาวนา แสดงว่าเราไปถูกทางเรากำลังทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราจะทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าเราไปหาลาบยศและเสริญสุขเรากำลังไปสร้างภพสร้างชาติไปเราลังกำลังจะเดินทางไปเกิดใหม่กัน เพราะว่าพอร่างกายอันนี้ตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปก่อนเมื่อรับผลบุญผลบาปแล้วได้ไปสวรรค์หรือไปอบายแล้วพอถูกปล่อยออกมาก็จะมุ่งไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาลาบยศสรรเสริญสุขใหม่อีกรอบหนึง่ง แล้วก็ต้องไปตายใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปหลายหลายรอบเราทำกันมาไม่รู้กี่แสนล้านรอบแล้วถ้าเรายังมาเกิดวันนี้อยู่แสดงว่าเราได้เคยมาเกิดแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วและถ้าเรายังหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่เราก็จะ กลับมาเกิดมาตายแบบนี้อีกไม่รู้กี่แสนล้านครั้งด้วยกันแต่ถ้าเรามาหาทานหาศีลหาภาวนากันมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันการกลับมาเกิดของเรานี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปตามกําลังของทานศีลภาวนาของเราถ้าเราทำทานศีลภาวนาได้ร้อยละห้าสิบ เราก็จะลดการกลับมาเกิดได้ร้อยละห้าสิบเนี่ยถ้าเราทำได้เต็มร้อยเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ก็ทำไปเก้าสิบสามร้อยละเก้าสิบสามยังเหลือเอ็ดเจ็ดครั้งที่จะจะต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเป็นพระสะกิดาคามี ก็เหลือเพียงครั้งเดียวที่จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์นะถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาตายไม่ต้องไปอยู่เมนไม่ต้องไปไปสุสานไม่ต้องไปป่าช้าอีกต่อไปแล้วก็จะไปอยู่วนสวรรค์ชั้นพรมเพื่อที่จะออกไปสู่พระนิพพานต่อไป นี่คือขอบวนการที่จะพาดวงวิญญาณของพวกเราให้มีจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่ทำทานศีลภาวนาเราหาลาบยศสารเสริญสุขนี้เราจะเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันก็จะไปตามลมตามกระแสน้ำ ใจของเราก็มีกระแสะอารมณ์กระแสะของความอยากที่มันจะคอยพัดจิตใจของเราให้ไปตามกระแสะนั้นบางครั้งก็เป็นกระแสะอารมณ์ที่ดีก็พาเราไปทำบุญไปทำความดีถ้าเป็นกระแสะของอารมณ์ไม่ดีมันก็พาเราไปทำบาปควบคู่กับการไปหาราบยศสรรเสริญ แต่ถ้าเรามีทานศีลภวาวนาก็เหมือนกับเรามีหางเสือติดไว้ที่เรือละทีนี้เราสามารถบังคับเรือให้วิ่งไปในทิศทางที่เราต้องการให้มันไปได้ละคือให้มันไปสู่สุขติชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นของเทวดาไปสู่ชั้นพรหมไปสู่ชั้นของพระอริยบุคคล น่าไปถึงพระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายได้ถ้าเรามีหังเสือมาคอยคัดเรือเรือนี้ก็คือดวงวิญญาณของพวกเรานี่เองถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาดวงวิญญาณของพวกเราก็จะไหลไปตามกระแสของของอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีมันก็ดึงเราไปอบายซัดเราพาเราไปอบาย เห็นไหมคนที่อยู่ดีๆบ้าข้างขึ้นมาไปฆ่าคนที่สามสิบศพนี่แหละถูกกระแ ส, สของอารมณ์ไม่ดีชุดลากพาไปแล้วไม่มีทานศีลภาวนาที่จะมาคัดมาค้านมันมันก็ไหลไปตามกระแสของอารมณ์เนี่ยตอนนี้ไปอยู่นรกขุมไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยดวงวิญญาณไปแล้วตายแล้ว บาปที่ทำนี่มีพลังมากฆ่าคนต้องสามสิบศพเนี่ยอยู่อยู่ขั้นอนันตริยกรรมเอยู่ติดการอนันตริยกรรมแต่คูณด้วยสามสิบสามสิบกระทงต้องรับใช้โทษถึงสามสิบรอบไม่รู้จะได้หลุดออกมาจากนรกอีกเมื่อไหร่นี่เพราะไม่มีหางเสือ มาคอยควบคุมบังคับจิตใจจิตใจก็เลยไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆอีกพวกหนึ่งก็ได้ไปสวรรค์กันพวกที่ไปบริจาคเลือดกันไปอาสาสมัครบริจาคเลือดพวกนี้ก็ถูกกระแสอารมณ์ของความดีของทานดึงไปนะดึงไปโอายไปเข้าคิวเข้าแถวเพื่อไปบริจาคเลือด เพื่อไปช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบางพวกก็บริจากเงินทองให้กับผู้ญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพวกนี้ก็ถูกกระแสของความรู้สึกที่ดีฉุดลากไปเหมือนกันทําเฉพาะเวลามีอารมณ์ทำแต่เวลาไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทําำยังไม่มีความแน่นอนนถ้าไม่มีหลัก การของการปฏิบัติที่ยึดยึดติดไว้คือยึดหลักของทานศีลภาวนาถ้ามีการยึดหลักของทานศีลภาวนาแล้วจะมุ่งไปสู่พระนิพพานาเป็นจุดสุดท้ายผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆ ผ, าผ่านระดับของพระอริยบุคคลชั้นต่างๆไปถ้าไม่มีทานศีลภาวนา มันก็รอให้อารมณ์พาไปอารมณ์ดีก็ไปทำดีก็ไปสวรรค์พออารมณ์ไม่ดีก็ไปทำบาปก็ไปอาบายกันเนี่ยเราจึงต้องมาติดหังเสือให้กับใจของเราหรือพวงมาลัยถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องมีพวงมาลัยเคิ ด, ดูถ้าขับรถไม่มีพวงมาลัยเป็นยังไง รถมันก็วิ่งไปตามถนนแล้วแต่ถนนมันจะเอ็นไปทางไหนมันก็เอ็นไปตามถนนนะเดี๋ยวมันก็จะออกนอกถนนไปลงคลองลงคูไปแต่ถ้ามีพวงมาลัยเราก็สามารถที่จะควบคุมบังคับให้รถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนนได้นี่แหละคือเราจรึงต้องคอย ตรวจ GPS ของเราอยู่เรื่อยๆว่าเรามี GPS หรือยังเราตั้ง GPS ไว้หรือเปล่า GPS ของพวกเรามีพิกัดอยู่สามันนะทานศีลภาวนาดูว่ามันทานยังอยู่ในพิกัดหรือเปล่าศีลยังอยู่ในพิกัดหรือเปล่าภาวนายังอยู่ในพิกัดหรือเปล่าการกระทําอะไรของเราต่างๆในแต่ละวันทําอยู่ในพิกัดเหล่านี้หรือเปล่า วันนี้ได้ทำทานหรื อ, อยังวันนี้รักษาศีลได้หรือเปล่าวันนี้ได้ภาวนาหรื อ, อยังอย่างน้อยถ้าเป็นนักภาวนาตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทำอะไรก็ต้องภาวนาก่อนแล้วสำหรับผู้ที่ยังมีภารกิจการงานทางโลกอยู่ก็ต้องอย่างน้อยมีเวลารอบสองรอบในแต่ละวันให้กับการภาวนาก่อนนอนก็ภาวนา ตื่นเช้าขึ้นมาก็ภาวนาก่อนที่จะไปทำภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ช่วงทำภารกิจการงานต่างๆก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำบุญทำทานก็ทำบุญทาได้ถ้าอยากจะทำจริงๆโอกาสจะทำบุญมีตลอดเวลาออโอนเงินให้กับบัญชีของวัดก็ได้ทาบุญนะ เดี๋ยวเอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้ไปถวายวัดหรืออยากจะไปช่วยโรงเรียนก็ได้ช่วยโรงพยาบาลก็ได้ช่วยองค์กรสาธารนณะการกุศลต่างๆก็ได้เป็นการทาทานทางนั้นเป็นการดึงกระแส ดึงจิตใจให้ออกจากกระแสะของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าเราไม่เอาเงินทองนี้ไปทําบุญเดี๋ยวเกิดความอยากเที่ยวขึ้นมามันก็ต้องใช้เงินทองนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวอย่างซื้อของที่ไม่จําเป็นขึ้นมาก็จะเอาเงินนี้ไปซื้อของที่ไม่จําเป็นแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้ไปสู่ สุขติชั้นแากคือสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังหาราบยศจันเสสุขหรือว่าเรากำลังหาทานศีลภาวนาถ้าเราหาทานศีลหาภาวนาเราก็จะ ได้ล้างปราชากันได้กาจัดได้ทำลายเมนกันถ้าเราไปหาลาบยศสารเสญสุขเราก็กำลังไปสร้างเมนสร้างปราชากันเพราะเราจะต้องไปเกิดใหม่ตายครั้งนี้แล้วยังต้องกลับไปเกิดใหม่อีกแล้วก็จะต้องไปตายใหม่อีกเราก็ต้องมีป่าชาอันใหม่ไว้สําหรับร่างกายอันใหม่ของเราที่จะต้องตายอีกต่อไปข้างหน้า เอ่นี่คือถ้าเราได้คอยถามอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้รู้ว่าเ อ, อ๋อวันนี้เราทําทานหรื อ, อยังถ้ายังไม่ไทํามีเงินที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือเปล่าถ้ามีเอาเงินนั้นไปทําบุญทําทานดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นเงินที่เราต้องใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ไม่ได้เป็นการ อ, อ สร้างป่าชา้าสร้างเมนแต่เป็นการสร้างเครื่องมือที่จะมาทำลายป่าช้าหรือเมนคือต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่นะเพราะเวลาภาวนาจริงๆนี่ร่างกายต้องแข็งแรงต้องสามารถไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคนที่ทุลกันดาลที่ห่างไกลจากความเจริญได้ เพราะการภาวนานี้จะก้าวหน้าจะสําเร็จนี้ต้องอาศัยสถานที่ที่ห่างไกลจากความเจริญทางด้านแสงสีเสียงต่างๆเพราะความเจริญทางด้านแสงสีเสียงนี้เป็นความเจริญของกิเลสปัญหาที่จะคอยที่จะดึงจิตใจให้กลับไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง ถ้าอยู่ห่างไกลมันก็จะไม่มีอะไรมาคอยดึงจิตใจให้กลับไปจิตใจก็สามารถใช้การภาวนาเพื่อดึงจิตใจให้ห่างไกลจากการที่จะกลับไปเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้าเป็นคนแก่คนชรานี่ยากลำบากบางคนคิดว่าโอ้ยไว้รอให้แก่ค่อยเข้าวัด เดี๋ยวนี้เข้าวัดบางวัดเขาไม่รับคนแก่คนแก่แล้วเข้ามาทําอะไรได้เปล่าไหว้พระสวดมนต์ได้เปล่าเดินบินถบาตได้หรือเปล่าเดินจงกรมนั่งสมาธิได้หรือเปล่าถ้าทาไม่ได้เขาก็เขาวัดที่เขาเเข่งเงเข่งเขาไม่รับเขาว่าวัดนี้รับคนมาปฏิบัติไม่ใช่รับมามาอยู่แบบหมูแบบอวัวควายมากินมานอน มาต้องมาทำหน้าที่ของนักบวชคือภาวนาหน้าที่ของนักบวชคือรักษาศีลภาวนาส่วนทานนี้ถ้าเป็นนักบวชนี้ได้ทำหมดแล้วเพราะก่อนจะมาบวชนี้ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดเลิกหาความสุขจากการใช้เงินทองเลิกใช้เงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสปุถพพะชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามา รักษาศีลมาภาวนาเพื่อที่จะได้มาหยุดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจเนี่ะนั้นถ้าเราใช้เงินทองเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็นการสร้างภพสร้างชาติเป็นการสนับสนุนเครื่องมือที่จะเอามาทำลายภพชาติต่างๆให้มันหมดไปแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติเอาเงินไปเที่ยว ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆเนี่ยไปตามศูนย์การค้าต่างๆถ้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าซื้อของจำเป็นเช่นปัจจัยสี่ซื้ออาหารพวกนี้ซื้อยานี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นโทษเป็นประโยชน์ตต้องรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจ คือไม่ไปสร้างพบสร้างชาติใหม่ให้กับจิตใจต้องตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการใช้เงินทองนี่เป็นขั้นที่หนึ่งของการปฏิบัติเพื่อตัดพบตัดชาติเพื่อการล้างป่าชาเพื่อการทําลายเมนต่างๆให้มันหมดไปต้องถ้ามีเงินทอง ที่เหลือกินเหลือใช้แล้วอยากจะเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำบุญทำทานแทนเพราะการทำบุญทำทานก็เป็นวิธีหาความสุขที่ดีกว่าการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเสียได้ซ้ำไป ถ้าเรารู้จักทําบุญจริงๆเราจะมีความสุขมากการที่เราทําบุญอย่างมีความสุขต้องทําอย่างไรต้องเห็นผลที่เกิดจากการทําบุญของเราเช่นเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก่อนที่เขาจะเป็นจะตายแล้วเราช่วยให้เขาได้หายจากความเป็นความตายให้เขามีชีวิตที่ดีมีความสุข อันนั้นแหละมันจะทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเช็นเวลาเราไปถ่ายชีวิตของสัตว์ต่างๆไปซื้อสัตว์จากตลาดซื้อปลาซื้ออะไรที่เขาจะเอาไปข้าวไปแกงซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยให้เขามีอิสระภาพไปถ่ายชีวิตวัวควายเอหรือไปช่วยคนที่ยากไร้คนที่ไม่มีเงินรักษาช่วย รักษาพยาบาลให้เขาได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บคนที่อดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งหม่มพอเราช่วยเขาเราเห็นเขาได้ความสุขจากการกระทําของเราเราจะเกิดความสุขขึ้นมาและเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการเราไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ ได้ความสุขเดียวเดียวตอนที่จ่ายเงินท่านอย่างงพอได้ของกลับมาแล้วบางทียังไม่มีเวลาเปิดดูเอามาใช้เลยก็มีเอามาทิ้งไว้ในบ้านนั่นเพียงแต่เวลาเห็นแล้วมันทนไม่ได้มันรู้สึกทรมานใจเลยต้องซื้อเพื่อบรรเทาความทรมานใจเท่านั้นเองแต่ความจำเป็นที่จะต้องใช้มันนี้ไม่มีเลยเพีย <laughs> ง <laughs> แต่ว่าพอเห็นแล้วมันทุกข์ใจขึ้นมา มือมันร้อนเงินในกระเป๋ามันร้อนต้องรีบกําจัดมันมันถึงจะเย็นถึงจะสบายขึ้นมาได้เท่านั้นเองแล้วความสุขที่ได้จากของนั้นมันก็หมดไปมองมันทีไรเวลาอยู่ที่บ้านเราไม่เห็นมันสุขเหมือนตอนที่มันอยู่ในร้านะตอนที่อยู่ในร้านนี่เห็นแล้วโอ้อยากได้พอเป็นของเราแล้วความอยากได้มันหายไปแล้ว ความสุขที่เกิดจากการได้ของที่อยากได้ก็หมดไปแล้ว <S <S แต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ที่ยากไรนี่ทุกครั้งที่เราคิดถึงมันมันก็ยังทำให้เรามีความสุขอยู่แล้วเป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีพิษมีภัยเพราะมันไม่เป็นเหมือนยาเสพติดนะทำบุญทําทานแล้วมันไม่ติดนะเวลาไม่ได้ทามันจะไม่หงดหงิ ด, ดลาคาญใจแต่เวลาใช้เงิน ไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยใช้เงินกับการไปเที่ยวเนี่ยมันติดเนี่ยมันอยากจะซื้ออีกมันอยากจะเที่ยวอีกแล้วเวลาไม่ได้ซื้อไม่ได้เที่ยวมันจะหดเหงิ่อนำคาญใจเนี่ยมันจึงทําให้ต้องซื้อต้องเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆยิ่งทําให้ไม่มีเงินทองไปทําบุญทําทานกันเลยเอาเงินทองไปสร้างพบสร้างชาติแทนเราต้องบังคับใจของเราถ้าเราอยากจะยุติการเกิดการตาย ทุกครั้งที่เราจะใช้เงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อความสุขทางตาหูจมูกมือกายเราบอกว่าต้องเอาไปทําบุญเปลี่ยนวิธีการใช้เงินต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากเข้าของเงินทองต่างๆแล้วหาความสุขจากการทําบุญทําทานแทนทุกครั้งที่เราฝืนทําอย่างนี้ไปไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุข ซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันจะหายไปแล้วมันจะไม่มีอะไรมาคอยลดสร้างความหงุดหงิดตั้งลความลำคาญใจอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้ไม่ต้องออกไปเที่ยวไม่ต้องออกไปซื้อนูน่นซื้อนี่นี่คือขั้นที่หนึ่งทาให้ใจเราลดความอยากคือกามาตัานหาให้มันน้อยลงลดภาวะตัณหาด้วย ความอยากจะรวยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะรวยไปทาไมรวยมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดเพราะเงินทางที่ได้มามันก็ดีใจเดียวเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความสุขจากการทาบุญทาทาน พอเราได้เงินมามากเกินไปแล้วว่าเอาไปทําบุญดีกว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวกลายเป็นภาระอีกต้องเสียภาษีต้องคอยระวังต้องไปกังวลกับว่าเงินจะไปฝากไว้ที่ไหนดีจะไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะถูกเขาโกงหรือเปล่าจะสูญเสียสูญหายไปหรือเปล่าเนี่ยพอมีทรัพย์แทนที่จะมีความสุขก็กลายเป็นมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนี่คือ ประโยชน์ของการทำทานลดลดความอยากมีอยากเป็นลดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้ลงไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้เราปฏิบัติทำขั้นที่สองต่อไปได้คือการรักษาศีลเพราะถ้าเราทำทานทำบุญน้ใจของเราจะมีความเมตตา เราจะไม่อยากจะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเวลาที่เราจะทำอะไรฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราจะต้องคิดก่อนว่าทำแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ทำพอจะโกหกก็จะไม่โกหกเพราะเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนพอจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ทาดีกว่าเดี๋ยวทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสี ย, ยใจ ไปขโมยทรัพย์ก็ไม่ดีไปฆ่าก็ไม่ดีก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้คนที่ทำบุญทาทานนี้จะมีจิตเมตตาะจะทำให้การรักษาศีล น, นี้เป็นไปแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาสมาทานขอจากพระให้เสียเวลาเพราะมันมีอยู่ในใจของตัวเองโดยโดยอัตโนมัติ ผนที่เกิดจากการทำบุญทำทานจะทำให้จิตใจเป็นจิตที่อ่อนโยน <The Typically> เป็นจิตที่มีความเมตตาเป็นจิตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ <The phrase> ไม่ใช่เป็นจิตที่หยาบกระด้างไม่เป็นจิตที่เห็นแก่ตัวก็จะทำให้ไ hmm. ม่ไปทำบาปก็จะทำให้รักษาศีลได้อย่างสบายไม่ต้องขืนไม่ต้องบังคับ ต่างกับคนที่ไม่ทำบุญ น, นี้จะคิดแต่เอาประโยชน์ใส่ตนเองอยู่เพียงอย่างเดียวพออยากได้อะไรก็ต้องได้ต้องทำให้ได้แล้วใครจะเสียหายเดือดร้อนก็เรื่องของเขาไม่สนใจขอให้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการจะไปทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นก็จะเป็นคนไร้ความเมตตาเป็นคนมีใจโหดร้ายทารุณ แม้เวลาอยากจะฆ่าไกรก็ฆ่าได้เลยแต่ถ้าเป็นคนมีความเมตตาคนที่ทำบุญทาทานนี้จะชะงักทันทีเลยเพราะจะคิดไปฆ่าใครขึ้นมานี้ทาไม่ลงนี่คือการปฏิบัติของศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้ทาเป็นขั้นตอนเพราะมันเป็นขั้นที่จะสนับสนุนขั้นต่อไปนั่นเองทาทานแล้วก็จะสนับสนุนให้ มีการรักษาศีลได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับจิตใจว่าห้ามฆ่าห้ามลักทรัพย์จิตใจมันจะไม่อยากฆ่าไม่อยากจะลักทรัพย์ขึ้นมาเองสำหรับจิตใจที่มีบุญมีกุศลจะเป็นอย่างนั้นนะพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สามคือขั้นภาวนาได้ เพราะการจะขึ้นสู่ขั้นภาวนาเราก็ต้องผ่านการรักษาศีแปดก่อน <Yeah. S 1> เมื่อเรารักษาศีห้าได้แล้ว <Yeah. S 1> เพิ่มอีกสามข้อมันไม่ยากหรอก <Yeah. S 1> ข้อยากๆมันอยู่ที่ศีห้ามากกว่าอีกสามข้อนี้มันง่ายกว่าเยอะแยะอไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนมันจะยากตรงไหนก็ยากกันอยู่คนละที่ <Yeah. S 1> เขาอยู่บ้านเราไปอยู่วัดมันก็ไม่ได้ร่วมหลับนอนกันแล้วะ <Yeah. S 1> ก็ไม่เห็นจะยุ่งยากลําบากตรงไหนะ ไม่กินข้าวเย็นก็ไปอยู่กับพวกที่เขาไม่กินข้าวเย็นใชมันก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะไปอยู่วัดถ้าอยู่กับพวกกินข้าวเย็นก็ยากเดี๋ยวได้กินอาหารชอเข้ามาทางจมูกก็ทีนี้ก็โอ้หิวขึ้นมาทันทีก็ต้องยากกันอยู่พวกที่ถือศีลห้ากับพวกถือศีลแปดนี่อยู่ต้องอยู่กันคนละที่กันแล้วจะทำให้การรักษาศีลแปดนี้ไม่ยากเลย ี่ยพอไปอยู่วัดนี่รักษาสินแปดได้สบายเพราะไม่มีใครเขากินข้าวเย็นกันไม่มีใครเขาร่วมหลับนอนกับแฟนกันอเพราะแยกกันอยู่ผู้หญิงอยู่ซีกหนึง่งผู้ชายอยู่อีกซีกหนึง่งแล้วก็ตอนเย็นก็ไม่หิวเพราะตอนเย็นก็ไม่นั่งไหว้พระสวดมนต์กันก็ลืมเรื่องอาหารเย็นไปหนังละครก็ไม่มีให้ดูก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีงาน งานเลี้ยงงานอะไรให้ต้องออกไป <c oughs> ก็ไม่ต้องเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัว <c oughs> แล้วก็นอนก็ไม่ต้องนอนมากเพราะที่นอนมันไม่สบาย <c oughs> นอนบนพื้นแข็งๆไม่ใช่เตียงใหญ่ๆพูกนันอะ <c oughs> มันก็จะทำให้การรักษาศีลแปลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย <c oughs> <c oughs> ผู้ที่จะเข้าวัดได้ต้องทำบุญทำทาน ให้ได้ก่อนทําบุญทําทานได้ก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลได้แล้วทีนี้ถ้าอยากจะไปภาวนาก็ไปอยู่วัดได้เลยไม่มีอุปสรรคศีลแปดนี้จะไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าคนที่ไม่ทําบุญเลยไม่รักษาศีลหน้าเลยรับประกรันได้ว่าไปอยู่วัดไม่ได้แล้วไปไม่ได้เพราะมันมันมันอดไม่ได้นะมันอดที่จะ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้มันจะอดดูหนังดูละครไม่ได้อดข้าวเย็นไม่ได้อดกับการร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้อดกับการนอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงสุขสบายไม่ได้อันนี้คือขั้นตอนของการฝึกัดจิตใจหรือกา ร, การควบคุมการยุติความอยากต่างๆนี่เราต้องทำจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยาก ขั้นบุญ ข, ขั้นทำบุญทำทานนี้ง่ายกว่าขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลนี้ง่ายกว่าการภาวนาขั้นยากเราต้องพยายามหัดทำทานกันทุกครั้งที่จะใช้เงินทองไปกับความอยากต่าง ๆ, ๆก็เอาไปทำบุญทำทานแล้วจะทำให้เรารักษาศีลห้าได้ง่ายตอรักษาศีลห้าได้ก็ไปลองรักษาศีลแปดดู ครั้งชัวงแรกก็เอาแค่อาทิตย์ละครั้งหนึ่งก่อนวันพระวันหยุดทำงานเมรีวาวลาว่างไปอยู่วัดสักวันสักคืนหนึ่งหนึ่งวันกันหนึ่งคืนไปรักษาอุโบสถศีลไปรักษาศีลแปดที่พระอุโบสถเพราะวันนี้ไม่วัดส่วนใหญ่จะไม่มีที่พักให้กับญาติโยม ก็ให้ไปพักในโบสถ์ให้ไปปฏิบัติไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิไปนอนในโบสถ์กันเขาก็เลยเรียกการรักษาศีลแปดว่าเป็นโอโบสถศีลความจริงมันก็ศีลแปดดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าไปรักษาในโบสถ์กันเท่านั้นเองแต่ถ้าไปรักษาที่อื่นเขาก็ไม่เรียกว่าอุโบสถศีลเขาก็เรียกว่าศีลแปดอัถฐศีลาแต่ก็เป็นศีลเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดพอไ ป, ไปอยู่โบทถ์มันก็จะได้ภาวนาทั้งสองอย่างได้ทั้งสมถะไปพักสวดมนต์ก็เป็นการทำสมถะภาวนาแบบหยับยาไปก่อนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมที่พระเ อ, เอาเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงก็เป็นการเจริญปัญญาเป็นการเจริญวิปัสนาไปพังๆก่อนเป็นขั้นเริ่มต้นยังเป็นขั้น ที่ยังต้องมีการเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อให้ผลมีมากขึ้นเพราะถ้าต้องการขั้นที่ได้ผลมากนี้จะไม่ไปอยู่ในโบสถ์กันแล้วจะต้องไปปีกจะต้องแยกกันอยู่ต้องกระจายต้องไปอยู่คนเดียวเพราะอยู่ร่วมกันเดี๋ยวอดคุยกันไม่ได้อดคุยกันพะคุยกันแล้วจิตก็ฟุ้งขึ้นมาซึ่งสวนทางกับเป้าหมายของการภาวนา ความหมายของการภาวนานี้ต้องการทำจิตให้สงบ เ, ออเพราะจิตสงบแล้วจะสามารถมองอะไรให้เกิดปเป็นปัญญาขึ้นมาได้ เ, ออเหมือนกระจกบ้านที่เราใช้ใส่เนี่ยถ้ามันมัวนี่เวลามองอะไรมองไม่ชัดเออนี่ยอ่านหนังสือก็จะไม่เกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาว่ามันอ า, อาจจะอ่านผิดผิดถูกถูกออตัวบอใบไ ม, ไม้ก็อาจจะเป็นยออยากไป อะไรมหันการก็อาจจะเป็นไม่โทรไปอ่านแล้วมันก็จะหลงทางแต่ถ้าเราเช็ดแว่นตาให้สะอาดเนี่ยแล้วพอเราอ่านหนังสือนี่เราจะเห็นตัวหนังสือชัดทุกตัวจะสามารถเห็นมหันการเป็นมหันการเห็นบอใบ ไ, ไม้เป็นบอใบ ไ, ไม้ได้ใจของของใจของผู้ที่ไม่มีสมาธิใจของผู้ที่ไม่มีความสงบนี้ยังมีอ ความมูดบอดของอวิชชาครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับสิ่งที่มาทำให้แว่นตาไม่ใสใจที่ไม่สงบนี้จะไม่ใสจะไม่เห็นตามความเป็นจริงจะให้เห็นนิจจังก็มองไม่เห็นมองอะไรทีไรก็เห็นเป็นนิจจังไปหมดมองอะไรก็เห็นว่าเป็นสุขขังไปหมดมองอะไรก็เป็นอัตตาไปหมดแต่พอทำใจให้สงบแล้ว ใจจะใส่พ้อมบอกให้ดูอนิจจังเห็นไหมเห็นแล้วนต่อนี่เป็นอนิจจังเห็นทุกขังไหมเห็นแล้วเห็นอนัตตาไหมเห็นแล้วเพราะมันเป็นของที่เป็นจริงเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นของจริง แต่พอใจมันมัวขึ้นมามันมองพิกับตาละปัดไปะมองสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังไปมองสิ่งที่เป็นทุกขังเป็นสุขขังไปมองสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรากลายเป็นตัวเราของเราขึ้นมากลายเป็นอัตตาขึ้นมานี่แหละทำไมเราจึงยังจเจริญวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเรายังไม่มี ใจที่สงบเป็นสมาธิถ้าใจยังไม่ใสสะอาดเนี่ยปราศจากความครอบงามของโมหะอาวิชชามองอะไรมันก็จะมองเป็นของเราเป็นตัวเราอะไรเป็นของเราก็จะมองว่ามันเป็นสุขจะมองว่ามันเป็นนิจจังไปหมดแต่พอมันเป็นอนิจจังขึ้นมาก็เศร้าโศกเสียใจ พอเป็นทุกข์ขังขึ้นมาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมาเช้านี้ก็มีเด็กคนหนึ่งมามาทำบุญมาญาติพี่น้องพามามาบอกว่าเด็กคนนี้เสียหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องตายหมดเหลือตัวคนเดียวตอนนี้รู้สึกหลาวรู้สึกว่าเหวเพราะนี่แหละไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ตอนมีอยู่นั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขขังเป็นอนัตตา คิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดคิดว่าจะให้ความสุขกับเราไปตลอดคิดว่าจะเป็นของเราไปตลอดเนี่ยแต่พอวันดีึืนดีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาตายไปหมดเลยเหลือตัวคนเดียวทีนี้ก็ลก่าความรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวไม่มีที่พึ่งที่เกาะเนี่นี่เพราะว่าไม่มีปัญญาเนี่ย ถ้ามีปัญญาจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรจะจะยึดตดยึดตนเป็นที่พึ่งของตนจะถืออัตตาหิอัตโนนาโถการจะมีอัตตาหิอัตโนนาโถได้ก็ต้องมีความสุขในตัวเองความสุขในตัวเองก็คือความสุขที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนานี่เอง ถ้าเราสามารถทำทานรักษาศีลภาวนาได้ต่อไปเราจะมีความสุขในตัวเราแลวเราจะไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้สามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้ายังต้องอยู่กับคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่จะอยู่แบบไม่ยึดไม่ติดจะไม่ยึดว่าเขาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะรู้อยู่ทุกเวลาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จะ่ไม่หลงไปยึดไปติดเขาแต่จะไม่รังเปียดเขาแตยังต้องอยู่ด้วยกันเนี่ก็อยู่ด้วยกันไปด้วยปัญญาด้วยความรู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเขาจากเราไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจพอเขาอยู่แล้วเขาไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเราไปอยากไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เราจะอยู่แบบให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะดีก็ดีไปเขาอยากจะชั่วก็ชั่วไปเขาอยากจะกินเหล้าก็กินไปเขาอยากจะไปหาราบยศสารเสริญสุกก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะไปหาทานศีลภาวนาก็ปล่อยเขาไปจะไม่ทุกข์กับเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไร ถ้าใจมีปัญญาถ้าใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหรือเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแต่เราก็พร้อมที่ยินดีจะช่วยเขาถ้าเขาเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมาถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็วางใจเป็นอุเบกขาไปถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไป บางครั้งอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้คนที่เป็นโรคร้ายเนี่ยจะต้องตายไปทํำยังไงก็ช่วยไม่ได้จะไปทุกข์ไปวุ่นวายใจกับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทําให้ตัวเองทุกข์ไปเปล่าๆคนที่มีปัญญาจะไม่ทุกข์รับประกันได้จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของผู้อื่น ถึงแม้จะมีความปรารถนาดีอยากจะช่วยเขาก็ตามแต่พอรู้ว่าช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางท่นเองปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขานะนี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาเราต้องปฏิบัติทำจิตให้สงบก่อนจิตสงบแล้วเราก็ถึงไปศึกษาทางปัญญาไปดูว่าของต่างๆที่ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังนี่มันเป็นนิจจังหรืออนิจจังกันเนะี่ยถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นร่างกายท่านบอกไม่เที่ยง ก, ก็จะเห็นลาบยศสรสรสิญสุขไม่เที่ยงก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่เที่ยงก็จะเห็นแล้วถ้ามันพอมันไม่เที่ยงแล้วอะไรจะตามมาเวลามันไม่เที่ยง มันก็เกิดความทุกข์ตามมาถ้าไปยึดไปติดถ้าไปอยากให้มันเที่ยงแต่ถ้าไม่ไปอยากให้มันเที่ยงมันก็จะไม่ทุกข์เะ ถ้าไปถ้าไม่ไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็จะไม่ไปยึดไปติดมันก็จะไม่ไม่อยากมันก็จะไม่มีความอยากให้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้ไม่สําคัญเห่นไหมคนอื่นนี่เราไม่รู้จักเราไม่สนใจไหมเขาจะเที่ยงไม่เที่ยงเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่พออะไรเป็นของเราขึ้นมานี่เดือดร้อนทันทีพออะไรเป็นของเราปั๊บเราจะต้องให้มันเที่ยงทันทีพอมันไม่เที่ยงมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาทันที แต่พอมีปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางหมดเนี่ยมันจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปจะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญจะไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่อยากมีอยากเป็นจะไม่อยากได้รูปประชานจะไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไม่อยากไม่มีไม่เป็น ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายลืมไม่อยากได้อารูปฌานทุกอย่างมันเป็นพิษเป็นภัยมันทําให้ใจทุกข์ถ้ามีความอยากกับสิ่งเหล่านี้พอตัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาแล้วความยากก็ความอยากทั้งหมดนี้ก็จะหายไปจากใจจะไม่มามีอิทธิพลต่อจิตใจต่อไปจะไม่สามารถดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป เมื่อไม่มาเกิดใหม่ก็จะไม่มีการตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีการตายก็ไม่มีจำเป็นที่จะต้องมีป่าชา้าไม่ต้องมีเมนอีกต่อไปนี่แหละคือวิธีกาจัดเมนกาจัดป่าช้าให้หมดไปจากโลกนี้กาจัดด้วยการไม่กลับมาเกิดการไม่กลับมาเกิดก็ต้องกาจัดความอยากคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา การจะกำจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องกำจัดด้วยทานศีลภาวนานี้เองเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังหาลาบยศสารเสริญสุขหรือเรากำลังหาทานศีลภาวนากันเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางเพื่อที่เราจะได้ยุติการกลับมาเกิดมาตายกันนั่นเองนี่คือเรื่องของความไม่ประมาท ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่พระพจเจ้าสอนให้เราถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรต่อเวลาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปฏิอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจฉโตสัพเพปเรนตูสังกปา จันโทปนาราสยธามณิชติอราสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโวินัสตโมาเตภวะโตอันตารโยสุขีทีขาโยโภวะ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 พอหลังจากเลิกแล้วจะของดถามเพราะไม่สะดวกต้องมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บ o o กนะคะห้ารอยก้าค่ะทางยูทู u b e 390วิดีโอออนไลน์14รับฟังบนข่าว66 รวมทั้งสิ้น979ทาน่านค่ะมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะถ้าไม่ถามก็ฟังต่อไปอามีข้างหลังมาขึ้นมานั่งตรงบันไดนั่นแหละ ค่ ะ, ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็จิตสงบระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มมีความคิดค่ะแต่ว่าความคิดนั้นเป็นความคิดที่เคยฟังธรรมะมาแบบเนี้ยค่ะแล้วเราทําไงต่อคะะอาจารย์เอเราต้องบังคับให้มันคิดไปในเรื่องที่เราต้องการให้มันคิดคือเราต้องคิดถึงเรื่องที่เราไปมีความผูกพันด้วยเพื่อให้เราปล่อยวางค่ะเราผูกพันกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องคิดว่าเขาไม่เที่ยว ค่ะเขาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปอหรือว่าเราผูกพันเพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ต้องดูว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาทาตามเรื่องของเขาไปในขณะที่ความคิดคิดขึ้นเราก็พิจารณาหรอคะให้มาคิดเรื่องที่เราควรจะพิจารณาเพราะเรื่องอื่นให้มันไปคิดเรื่องอื่นจ้าค่ะอ เรถ้าทางที่ดีถ้ายังสงบไม่มากพอก็หยุดคิดก่อนอย่าให้มันคิดพุดโทพโธ ท, ทำความสงบไปก่อนให้มีความสงบมากๆ ก, ก, ก่อนพอไม่สงบมากเดี๋ยว พ, พอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้คำถามจากทางบ้านนะคะจากคุณไยหลิวคะ่ะอุเบกขากับความรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกันไหมคะ ความรู้สึกมันหมายความว่าไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราพูดถึงความรู้สึกแต่ถ้าเราพูดถึงอุเบกขานี่คือใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต่างกัน<ม><ม>เดี๋ยวไปเบาไว้ตัวตัวมาเช่หนี้หน่อยรู้สึกว่ามันดังไปมันแงไปมันมันก้องมาแล้วที่บ่อยมาแล้วเบาหน่นิดหนึ่งเห้เมื่อกี้มันไม่เป็นอย่างนี้โอเคแล้ว คำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะมีสามคำถามค่ะการตั้งฐานจิตไว้ที่ท้องได้หรือเปล่าครับถ้านั่งดูลมหายใจก็ตั้งที่หน้า อ, อกหรือท้องหน้าท้องได้แล้วดูว่าเวลาลมเข้ามันก็พองเวลาลมออกมันก็ยุบเนี่ยที่มาของยุบหนอ่อพองหนอก็คือการดูลมหายใจเข้าออกที่ท้องเวลาลมเข้ามันก็จะทาให้ท้องพองขึ้นมา เวลาลมออกไปท้องก็จะยุกลงไปคาถามที่สองค่ะตัวผู้รู้หลับเป็นเหมือนตัวร่างกายหรือเปล่าครับเพราะบางครั้งนอนหลับอยู่ก็เหมือนตื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรครับออผู้รู้นี่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไม่มีวันหลับไม่มีวันอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องที่ควรจะรู้ รู้ตามเรื่องของกิเลสพาไปให้รู้แล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราถึงต้องฝึกใจให้ใจไปรู้เรื่องที่จะทำให้ใจสงบใจไม่วุ่นวายก็ต้องฝึกสติเพราะสติจะเป็นตัวบังคับใจให้ไปรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ต่อไปได้คำถามที่สามค่ะแบบไหนที่เข้าถึงตัวผู้รู้อย่างเต็มภูมิสาธุครับ ก็แบบสมาธินี่แหละนั่งสมาธิไทยถ้ารวมเป็นฌานขึ้นมาก็เข้าถึงตัวผู้รู้เพียงแต่ว่ามันรู้แบบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องถอนออกมาถ้าอยากจะให้อยู่กับผู้รู้ได้ตลอดเวลาหลังจากได้พบผู้รู้จากสมาธิแล้วก็ให้ใช้ปัญญามารักษาตัวผู้รู้ให้อยู่ต่อไปด้วยการคอยควบคุมความคิดความอยากตัดความคิดความอยากให้ออกไป พอไม่มีความคิดความอยากหลงเหนืออยู่ก็จะเหลือแต่ตัวผู้รู้อยู่เด่นชัดอยู่ตัวเดียวคำถามจาคุณฉัตใชัชยค่ะการภวนาให้ได้ผลให้มีประโยชน์ควรปฏิบัติแบบใดครับก็ปฏิบัติให้มันได้ผลสิอย่าไปปฏิบัติแบบไหนนะก็ต้องทําทานศีลพวนาให้เต็มที่เต็มกําลังของเราให้มันเต็ม100 มีเงินทองเท่าไหร่เคยเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เอาไปทําบุญให้หมดถ้าได้ก็บวชไปเลยทละเงินทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดแล้วก็ไปรักษาศีลให้เต็มร้อยแล้วก็ไปภาวนาให้เต็มร้อยจะรักษาศีลภาวนาได้เต็มร้อยต้องไปเป็นนักบวชแต่เป็นคารวะนี้มันรักษาไม่ได้เต็มร้อยยกเว้นถ้าไม่ต้องไปทำอาหากินก็อาจจะทําได้ แต่ถ้ายัางต้องไปทรมาหากินยังต้องใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองอยู่มันก็จะยากต่อการที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาให้เต็มรอยได้คำถามจากคุณอูอีนิวค่ะถ้าหยอดเงินใส่กระปกุกเอาไว้ทาบุญทุกวัน และนําเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างประเทศและนําไปทําบุญทําได้เหมือนกันหรือเปล่าคะได้ตราบใดขอให้เอาไปทําบุญก็แล้วกันอย่ า, าไม่ใช่เก็บไว้พอเดี๋ยวไปเห็นของใหม่ๆออกมามีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนใจขอข อ, ขอยืมไปทําบุญขอยืมไปซื้อของก่อนนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ทําบุญน ยังไม่มีมการเก็บเงินไว้ในกระปุกนี้ถึงแม้ ว, ว่าเราจะตั้งใจทําบุญแต่มันยังไม่สําเร็จเต็มร้อยมันจะเต็มร้อยก็ต่อเมื่อมันอยู่สุดเอื้อมของมือเราแล้วเท่านั้นน่ะถึงจะเรียกว่าได้ทําบุญเต็มที่ถ้าเรายังมีโอกาสเรียกกลับคืนมาได้นี้ใจมันอาจจะเปลี่ยนได้มันดีคืนดีอาจจะอยากได้นูน่นอยากจะได้นี่ขึ้นมาเอ้าขอเปลี่ยนใจมาวันนี้เรื่องทําบุญอรอไว้ก่อน ก็เลยไม่ได้ทำบุญก็ได้เพราฉะนการใส่เงินใส่กระปุกไว้นี่ก็ต้องมีความหนักแน่นต้องมีสัจจะมีอธิสัจจะอธิษฐานว่าตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญแล้วก็จะต้องไม่ไปจับมันโดยเด็ดขาดโดยถือว่าเป็นเงินทำบุญไปแล้วไม่งั้นมันก็จะไม่ได้บุญมันก็จะไม่ได้สาเร็จประโยชน์จากความตั้งใจของเรา การจะทำอะไรให้สำเร็จได้นี้ต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจแล้วสัจจะคือความจริงใจถ้าเราใจยังไม่มีสัจจะหลอกเราได้หลอกตัวเองได้อยู่วันนี้จะทำดีพอถึงพรุ่งนี้เพื่อนมาชวนกินเหล้าลืมใบชะละว่าจะไม่กินเหล้าไม่กินเห ล, ล้ากับเพื่อนนะ อย่างนี้ก็ไม่แสดงว่ามีมีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะมีความตั้งใจอยู่แต่พอถึงเวลาลืมไปซะและ้วหรือเปลี่ยนใจซะและ้วแต่ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็มีสัจจะไม่ยอมเปลี่ยนออถึงเวลาเพื่อนมาชวนก็บอกไปไม่กินแล้วไม่ดื่มแล้วเลิกแล้ว อ, อ, อย่างนี้ต้องเด็ดขาดถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ออทำอะไรถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ว่าจะไปทาอะไรออวันนี้ ถ้าไม่ได้ตั้งใจมาวัดก็อาจจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปทำหาเงินหาทองที่ไหนก็ได้แต่พอตั้งใจมาวัดแล้วเราก็มีสัจจะคือไม่เปลี่ยนใจพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมีความเพียรความเพียรคือคือการออกเดินทางมามีความอดทนบางทีรถติดบ้างรถยางแตกบ้างก็ ไม่ไม่เปลี่ยนใจลดยางแตกก็เปลี่ยนยางลดเสียก็เข้าอู่ซ่อมซ่อมใจก็เดินทางต่อม า, มาทำบุญให้ได้ถ้ามีอธิษฐานมีสัจจะมีความเพียพรพยายามมีความอดทนแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสามารถทำได้สำเร็จถ้าขาดสี่อย่างนี้แล้วมักจะล้มเหลวคำถามค่ะการที่เราไม่ได้เข้าสมาธิ แต่นั่งมองและคิดถึงสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจังอย่างนี้เป็นการฝึกจิตได้ไหมคะได้แต่มันยังไม่ยังไม่ได้เต็มร้อยมันยังเป็นการสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเือเห็นด้วยเห็นด้วยใจที่ยังมัวอยู่ยังใจที่ยังบอดอยู่ยังไม่เชื่อยอดไม่เที่ยงจริงหรือเปล่ปา ว, ว่าทุกจริงหรือเปล่ปาเดี๋ยวใครเอาเงินมากๆม า, มาล่อนี่มันก็ รับรองได้ว่าเมื่อก่อนรองเงินไม่เที่ยงแต่พอพอมีคนอยู่ดีๆเอาเงินมาให้ฟรีๆนี่มันกลายเป็นเที่ยงไปหมดละกลายเป็นสุขขังไปละแต่ถ้าใจที่มีสมาธิแล้วนี่จะเห็นต่อให้ใครเอาเงินมาล่อ ก, ก็ไม่เอาเห็นว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วต้องทุกข์นอกจากว่าถ้ารับมาก็รับเพื่อไม่ให้เขาเสียใจ แล้วก็ไม่เอามาใช้ประโยชน์กับตนเอาไปทำบุญทำทานต่ออย่างนี้ถึงได้แต่ถ้าเวลาสอนใจก็สอนว่าเงินไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะแต่พอมีคนให้เงินมานี่โอ้โหนี่ความับเลยแต่ถ้ามี ม, มีสมาธิมีความสงบแล้วมันจะเห็นจริงแต่ถ้าเพียงแต่สอนใจสอนใจนี้เดี๋ยวมันลืมได้เดี๋ยวมันเผลอได้ เปลี่ยนใจได้ใช่ไหมวันนี้ไม่กินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวพออยู่ดีดเพื่อนเอาเหล้ามาให้ขวดอย่างนี้เืยไปแล้วตั้งใจยังไม่กินเหล้านี่ต้องมีสมาธิถึงจะใช้ปัญญาได้อย่างได้อย่างเต็มเต็มร้อยได้ประสิทธิภาพแต่ถ้าใช้ความจําเป็นใช้การสั่งสอนโดยใจยังไม่มีสมาธินี่มักจะล้มเหลวเสมอ ถามจากคุณสมยศค่ะจิตนี้มีลักษณะชอบเกาะเกาะทั้งดีและไม่ดีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาให้จิตเกาะสิ่งที่ดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทานศีลภาวนาเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดครับ อ, อก็ต้องเกาะสิ่งที่ดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกาะทานศีลภาวนา ถ้าจะไม่เกาะก็ต้องพยายามไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังคำสอนไปฟังเหตุผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเกาะติดกับสิ่งที่ดีมันก็จะทำให้เราพยายามที่จะผูกใจเราให้อยู่กับสิ่งที่ดีต่อไปได้ ถามจากทาง y o u t u ู e ค่ะจากคุณปองเจ็ดสิบแปดเห็นข่าวต่างๆในปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงในสังขารและชีวิตทรัพสมบัติที่หาไว้ติดตัวเอาไปไม่ได้จึงเตรียมตัวเตรียมตัวจะไปบวชคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกแจะทำได้ไมืมไม่ได้ก็อยู่ที่สัจจะ ตั้งใจแล้วมีสัจจะที่จะดำเนินตามที่เราตั้งใจได้หรือไม่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปบวชได้อาจจะมีอะไรมาคอยล่อบมาหลอกเราก็ได้เดี๋ยวมีงานดีๆมาให้เราทำเลยต้องลองคิดหนักแล้วว่าจะไปบวช ด, ดีหรือจะทำงานดีคำถามจากคุณเดลต้าเคค่ะ ครูบาอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วยังสามารถมาสอนลูกศิษย์ในสมาธิได้หรือไม่เวลาที่มีปัญหาหรือติดขัดเรื่องการภาวนาถ้าโดยทั่วไปก็ไม่มานะเพราะท่านไม่ฉันไ ม, ฉนไม่ฉันไม่ติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวใครแล้วแต่ในกรณีพิเศษนี้ก็อาจจะมีได้ ตามประวัติตามที่หลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าว่าบางทีท่านก็มีพระพุทธเจ้าหเลยพ้าอรหันมาสแสดงธรรมโปรดท่านอันนี้อาจจะเป็นเพราะมีความผูกพันกันมาในอดีตก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นญาติกันแล้วมีความหงอยใต่อกันก็เลยส่งกระแสมาผู้ที่รับก็ต้องมีพลังจิตที่จะรับกระแสของดวงวิญญาณได้ ถ้าไม่มีความสามารถก็รับไม่ได้เนี่ก็เหตุผลหนึ่งทําไมพระพุทธเจ้าไม่มาสอนพวกเราหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะจิตของพวกเรารับกระแสของท่านไม่ได้ค่ะคําถามจากพระมหาสมชาติวัดหนองยาวค่ะการทําวัดเช้าเย็นเป็นการฝึกสมาธิใช่หรือไม่ครับก็เป็นสมาธิขั้นต่ําขั้นหยาบคือคอย ควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ยังไม่ทําให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้เป็นการดึงจิตออกจากความคิดต่างๆอถ้าอยากจะได้ผลต้องสวดมากๆสวดนานๆมันต้องสวดสักชั่วโมงสองชั่วโมงนัเนี่ยจิตมันจะได้ดื่มเรื่องราวต่างๆได้ แล้วก็พร้อมที่จะเข้าสมาธิได้ต่อไปพอสวดเสร็จแล้วก็ให้นั่งสมาธิต่อเลยไม่ใช่เลิกแล้วก็ไปคิดไปกินขนมไปดื่มน้ำปานะกันต่ อ, อ, อ, อ, อถ้าจะให้มันได้ผลเบื้องต้นต้องสวดเพราะว่าใจเรายังหยาบอยู่ใจเรายังคิดมากอยู่ยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็เลยใช้การสวดมนต์เพราอจะให้ดูลมเลยหรือพุโทโธเลยมันก็ไม่ยอมทะ ก็เราให้มันสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่งใจมันเริ่มสงบเริ่มละเอียดพอที่จะดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจต่อไปแล้วจใจถึงจะเข้าสู่สมาธิได้อย่างเต็มที่นี่คําำถามจากคุณพิเชยาค่ะ คนที่บริจาคแล้วเอาใบเสร็จไปทำเอาภาษีคืนได้บริจาคและได้บุญหม่เจ้าคะ้ะก็ไม่เต็มร้อยไงก็เอาเงินที่คืนมาก็แสดงว่าลดการทำบุญให้น้อยลงทำบุญร้อยหนึ่งแล้วไปของเงินคืนสิบบาทก็แสดงว่าทำแค่เก้าสิบบาทก็ได้บุญแค่เก้าสิบไม่ได้บุญเต็มร้อยถ้าอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็ไม่ต้องไปเอาคืนอันนี้คือ ที่เขาให้ลดภาษีเพื่อที่จะชักจูงใจให้ได้ทำบุญนั่นเองแต่ความจริงถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ได้เต็มร้อยยิ่งถ้าว่าได้ไปทำบุญแล้วไปขอเยอะ ข, ขอขอขอคืนได้เต็มร้อยก็เหมือนก็ไม่ได้ทำบุญเลย ผู้ที่ทำบุญก็คือรัฐบาลผู้ที่จ่ายผู้ที่เก็บภาษีเ่าท่านก็เลยสละเงินที่ได้จากภาษีเพราะท่านยังเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อบ้านต่อเมืองอยู่ที่จะรักษาให้บ้านเมืองสงบนอมเย็นไม่มีเรื่องราวต่างๆก็คือมีวัดมีศาสนา ไว้คอยสั่งสอนคนให้อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ทำร้ายกันให้ช่วยกันให้ดูแลกันให้รักกันนี่ทางรัฐบาลคือตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวในอดีตท่านเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ก็เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อย่างนั้นวิธีการใดที่จะทําให้ศาสนาอยู่ไปได้ท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติถ้าต้องลดหย่อนภาษีเพื่อให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมทาบุญทำทานทางรัฐบาลก็ยอมเสียสละเงินภาษีนั้นไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ได้มาทำบุญกันเพราะทำบุญแล้วจะทําให้ปีนใจเมตตาการุณา มีความเอเือเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนกันบ้านเมืองก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องจ้างตำรวจมาคอยจับคนเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องเสียเงินมาสร้างคุกสร้างตารางถ้าคนทุกคนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนกันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาคอยจับคนเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องมีคุกตารางไม่ต้องเสียเงินภาษีเอาเงินภาษีไปพัฒนาประเทศดีกว่า น, นี่คือเหตุผลทําไมรัฐบาลจึงยังมีการาลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่ทําบุญเพราะต้องการส่งเสริมให้คนเรามีความเป็นให้มีใจบุญสุนทานนั่นเองให้เราช่วยเหลือกันดูแลกันไม่ใช่จะหวังให้แต่ทางรัฐช่วยเหลือเพียงด้านเดียวรัฐคนเดียวไม่ไหวชู้สู้ไม่ไหวแต่ถ้าทุกคนในบ้านเมืองนี้มาช่วยดูแลกันนี่จะดูแลกันได้ทั่วถึงกันหมด ถามจะคุณทันพิสิทธิ์ค่ะกล้าวเป็นผู้มีมานะทิฐิที่มากอยากจะขอโอกาสพ่อแม่ครู อ, อาจารย์ขออุบายในการพิจารณาลดอัตราการกําจัดตัวมานะนี้ครับผมก็ต้องสมมุติว่าเราเป็นเหมือนกองขยะเป็นเหมือนแผ่นดินเราเป็นผู้ต่ําต้อยใครจะเอาเท้ามาเหยียบแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร ใครจะเทของสกปรกลงไปแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่รู้สึกรันเกียดแต่อย่างใดพยายามทำจิตใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินนะ แล้วเราก็จะลดการถืออัตตาตัวตนได้อัตตาตัวตนก็อยู่ที่เราไปคิดว่าตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเองถ้าเราเปลี่ยนความคิดจากการเป็นนั่นเป็นนี่มาเป็นแผ่นดินเราก็จะลดอัตตาตัวตนได้อย่าไปคิดว่าเราเป็นนัฐมนต Extrem ีเราเป็นลูกคนรวยเราเป็นเศรษฐีเราเป็นอะไรแล้วแต่ให้คิดว่าเราเป็นแผ่นดินเนี่ยที่คนเขาเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งเหยียบทั้ง ทั้งโยนของโสกโปกอะไรทั้งขุดดินทั้งอะไรต่างๆแผ่นดินรับได้อย่างสบายถ้าเราถือว่าเราเป็นคนที่ต่ําต้อยที่สุดเป็นเหมือนแจ๋วนี่สบายใจกว่าเป็นเจ้านายเวลาเป็นเจ้านายใครไม่เขาไม่ให้ความเคารพเราเราก็โกรธเขาลล้ะแต่ถ้าเราเป็นแจ๋วนี่เราไม่ไปหวังให้ใครเขาเคารพเราเห็นไหม เห็นพยายามคิดว่าเราเป็นแจวเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นแผ่นดินนะแล้วเราจะได้ลดอัดตราตัวตนได้คําถามจากคุณแสงทองค่ะเวลานั่งสมาธิได้สิบนาทีจะชาที่ตรงหัวเป็นอะไรครับเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็นั่งสมาธิต่อไปบางคนก็ชาที่แขนที่ขาที่มือแล้วแต่มัน เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่เวลามันนั่งอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาแต่มันไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเดือดร้อนขอให้มาสนใจกับการภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปเดี๋ยวใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้หมดแล้วนะ